จะมาเช็น้อยลงแอลไ ป, ไปเที่ยวลอยกระทงรือเปล่าถ้าแหน้ากอยน้อยลงไปด้วยแต่คงไม่ไปเที่ยวลอยกระทงแล้วเป็นแนวสุยะโจมไม่ได้ <c oughs> วิ่งไปวิ่งมาข้างนอกกำลังวุ่นวายมันนี่ <c oughs> มันไปเทนงานศพกลับมาถ้ามีงานคนตายหรืว่างงานคเป็น <c oughs> มรนานานรสติเป็นมนานรู้ติว่าพวกเราก็าเหมือนกันร่างกายวัดวานะครับ ้าเปรียบง่ายๆเพื่อชัดเจน <c oughs> วัดเราสมุดวัดเรานะเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งพวกเราผู้อาศัยผู้จรมาทั้งจำรักตั้ะแนนญาติโยมบางคนพวกนวกปกทั้งหลายแหละที่มาอาศัย เพิ่งาไปบุญกับต้นไม้ต้นนี้จะเรียกว่าต้นไหนก็แล้วแต่วะาอยู่แล้วก็ต้องช่วยกันช่วยรักษาต้นไม้ก็คือต้องรดนะ้ำุนดินใส่ปุ๋ยตอดนนูแลมันก็จะร่มรื่นน่าอยู่น่าอาศัยแล้วอยู่แล้วไม่ช่วยกัน มันก็อยู่ไม่ได้เราวันตายเหีย่ยวแห้งเราวันตายนี่เปรียบเทียบให้เห็นให้เข้าใจว่าธรรมะที่พุนะ่นในวันนี้ก็เหมือนกับต้นไม้คนที่มัวอาศัยอยู่เช่นพวกนกพวกไรสัสิสงสาราสัตว์ทั้งหลายคือผู้อาศัยผู้มา ก็หมายกับร่างกายของเราก็คือร่างกายกับจิตใจพวกนกก็มาอยู่อาศัยทำรังแล้ก็มายืดมาถือเอาว่าต้นไม้ของข้าวใครก็มาอยู่ไม่ได้เขาไปไม่ได้ก็หมากับร่างกายของเราเมื่อจิตวิญญาณปฏิสัติในร่างนี้แล้ว ทุกอย่างกลายเป็นของเราไปหมดตอนนี้ถ้านกมันจากต้นไม้นี้ไปแล้วต้นไม้ก็คือต้นไม้เนาะ ก, ก็คือเนาะคนละส่วนกันชัดเจนมนุษย์หรือคนก็เหมือนกันจิตออกจากร่างแล้วจิตก็คือจิตคนก็คือคนคือร่างกายเหมือนไดไปแท่นในวันนี้ก็เได้ร่างกายส่วนจิตที่มาอยู่อาศัยนะั้ง เป็นไหนไม่รู้แต่ว่าก่อนหน้านั้นยึดถือยึดอหมดที่เป็นตัวเป็นตนที่ในรูปในร่างหตาจะหมกูกเล่นกายตาของเราหูเราจมกวมกของเราเป็นกองเราหมดกลายเป็นเจ้าของตอน้นไม้ต้นนี้ทีนี้ถ้าเราเข้าใจจริงๆแล้วมันคนละอย่างคนลส่วนกันมันกับนกถ้ามันบินจากไปแล้วมันก็ไม่เกี่ยว มัเกี่ยวต้ไมาเต้ไม้เขาก็อยู่เขาจิตของเราก็เหมือนกันถ้ามันมาเกาะมายึดมาถือมาติดในรูปร่างกายธาตุสี่ขัห้ารูปปิจนาจัญญาสังขารตาหูจมูกนึารูปเสิ่งที่เราโภตพระซึ่งก็คือตัวเราตัวเราคือตัวคนตัวมนุษย์ทั้งหมดนี่มันไปยึดเอาสิ่งเหล่านี้ชกิดยึดมากกระไดมากก็ไปว่าได้ทุกมาก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 แต่เรืองจะเป็นเรื่องของความบ่ของโกของหลงเขาจะไม่รู้นั่นคือกิจอาการของจิตอืที่มีอยู่แต่ว่าจิตจริงๆมันโปร่งใสไข้ทังจิตเดิมจริงๆมันโปร่งใสมันไม่ได้เกี่ยวข้องเราพวงนี้เลยแล้วมันจอนมาวอนนี้มันมาเพิ่มมาเติมในหล่ะเหมือนกับสมบัติข้าวของเงินจองของไม่ค่าเหมือนเสื้อผ้าผนที่เรามีอยู่เราหาเพิ่มมาเท่านั้นสุดท้าย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 อย่างนี้สบายคิดอย่งนี้สบายแต่คิดแบบยึดถือเป็นเจ้าเข้าเจ้าขออลำบากเดือดร้อนนะเพราะความคิดก็ไม่เป็นสุดท้ายก็จะเดือดร้อนเพราะความคิดความตัวเราเองเราไม่มีวิธีการที่จะจัดการกับความคิดความตัวเราสุดท้ายเราก็จะเดือดร้อนนะแล้วเคยพูดอยู่เสมอวความคิดจะเป็นปัตตมเหตุเป็นบื้องต้นเลยเตัวจุดชนวนวันนั้นเราคิดดีทุกอย่างมันออกมาดี คิดไม่ดีทุกอย่างมันก็ออกมาไม่ดีความคิดสุดท้ายกลายเป็นการพูดและการการะทํามันที่จะเป็นตามมาเมื่อมันคิด ด, มออ ด, ม ด, ด, มดีมันก็พูดมันดีคิดไม่ดีมันก็พูดออกมาไม่ดีเห็นไหมมันเป็นมันเป็นผลเป็นอานดับสองขั้นตอนต่อมาเก็ดแปลว่าถ้าคิดดีพูดดีสุดท้ายการะทำสูกำดด่การกระทํากิดพฤติกรรมคือลงมือกระทําอย่างนี้เ ร, เรียกว่ากรรมอะ ครบองค์ประกอบอย่างนี้รกรรมอาคิดไม่ว่าโมโนกรรมนั้นไม่มีผลเท่าไหร่ไม่มีผลต่อคนอื่นแต่มีผลต่อตัวเราเองทำจิตของเร า, ามันเศร้ามองไม่ผ่องใสเครียดหน้าดําคร่ำขึ้นไม่ผ่องใสไม่เบิกบานเ <c oughs> นี่ยมนโนกรรมมันไม่เป็นกรรมทางใจหรือว่าจีกรรมอันนี้เป็นมีผลละเพราะมันปรมันจะเดงออกแล้ว เซลต่างว่าจะมีผลกระทบล้วผลกระทบผลสะท้อ น, นกับอาหารตัวเองไม่ได้เป็นกรรมไม่ใช่กรรมเฉพาะตัวเองนะทีนี้นปฏิกรรมข้างนอกมันผูกรณีด้วยวจีกรรมกายกรรมกายกรรมนี่ก็เป็นกรรมก็ทำแล้วมีผลเพราะฉะนั้นคนที่คิดขโมยอย่างนี้นคิดไม่คิดไม่ดีแต่มันไม่มีโทษทางกฎหมายแต่ ม, มีโทษทางธรรม แต่ถ้าพูดไม่ดีอย่าพายไปด่าว่ากันดูนึงเนี่ยเป็นโทษละนี่ไปลงมือลงไม้เนี่ยทำร้ายร่างกายกันกันิ่งเป็นโทษละเพราะฉะนั้นวาจาคือกายวาจาเนี่ยสำคัญตั้งแต่การตอนนีีเบื้องต้นกายวาจาตัวที่ควบคุมได้ดีที่สุดคือเสียงถ้าเรา พระพฤตล่วงเกินละเมิดกายวาจามอะไรกันนั่นแปลว่าเราละเมิดศีลก็คือกายไม่ปกติวาจาไม่ปกติมันไปล่วงละเมิดคนอื่นเขาไปละเมิดละเมิดศธิของอื่นเขามันเป็นโทษประมาทใช่ไหมคือโทษทั้งหมดเกิดจากอะไรเกิดจากตัวเราเกิดจากตัวเราทั้งนั้นมันจะไปโทษปัญญาไปเน่าคนนั้นคนนี้คนน้นไม่เกี่ยวกันนั่นเป็นเรื่องของตาหูจมูกหรือกายใจของอื่นเขา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 จิตมาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อรู้ว่าในตัวของเราแล้วทาไมแม่จะตอยู่กับตัวเราปล่อยให้จิตไปเที่ยวไปไหนก็ไม่รู้กายอยู่นี้จิตวันวันหนึ่งไปเที่ยวซารพัตไปได้ทั่วโลกอไปแป๊บเดียวไปได้ทั่วโลกนี่นะความสําคัญของจิตมันยอสําคัญมากมากแต่เคยไม่เคยฝึกจิตเลยไม่เคยดูจิตไม่เคยพิจารณาโทษใครมันมหันต์มากๆที่ธรรมดา มันร้ายเลยกว่าที่เราคิดเอาไว้ไม่ต้องไปลืมว่าวันหนึ่งจิตอันนี้มันก็จะต้องออกไปขแน่นอนกันดีคือเมื่อรูปร่างกายทาทั้งสี่มันแตกดับลงไปแล้วจิตหรือว่าวิญญาณขึ้มนมาแล้วรู้มันก็จะต้องออกไปแน่นอนก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วมันกหเือแต่กายเน่าเสียเป็นปุ๋ยเป็นสารพัให้เข้าเผาข้า็ฝัง ไปตามๆเหมือนที่ไปร่วมงานในวันนี้ <Ừ. S 1> มันเหลือแต่ความดีความไม่ดีเท่านั้นที่ติดตัวไปอย่างที่ว่าความดีความไม่ดีคมมดใครเป็นคนทําไม่มีใครอื่นนําให้เรา <c oughs> ผอสรุปง่ายๆก็คือที่เราเดอดร้อนก็ดีแต่เราอยู่ดีมีสุขเนี่ยก็เพราะว่าตัวเราเราดูแลตัวเราได้ดีขนาดไหนตอนนั้นก็ที่อยู่ดีมีสุขแต่ถ้าไม่อยู่ดีอยู่ไม่ดีไม่มีสุขเลย ก, ก็ต้องถามว่าเกิดจากอะไร ก็เก <oung ing> <stuk ip presents> ิดอยู่ตัวเรามารู้ก็จะทดลองต้องแก้ไขแต่นี่ไม่ใช่ตำรวจไปบนไปเพ้ออะไรก็ไม่รู้เราไม่มีการแก้ไขปรับปรุงตัวต้าตัวเองมราจะไปโทษปัจจัยภายนอกไม่ได้พระเจ้านั้นเวลาทำแก้ไขแก้ไขที่ตัวเองใช่ไหมเราปฏิบัติท่านก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างสารพัด ที่ลัทธิมีอยู่ในขณะนั้นในสมัยนั้นที่เขาทนทรมารดากรรมทุกมิติทางเพื่อหาทางหลุดพ้นก็อ่เหนือจากสิ่งเหล่านี้หาทางออกหาทางออกที่อให้ทำไงก็ได้ที่ให้มันไม่เกิดไม่แกิไม่จ็ไม่ตายแต่มันไม่มีไม่มีเพราะอะไรเพราะว่ากายนั้นเป็นธรรมชาติของมันมันต้องเกิดต้องเกิต้องเจ็บต้องตายอยู่อย่างนี้ตลอดแต่จิตนมันไม่ใช่ แต่เพื่อนเราไม่ค่อยรู้เรื่องจิตรู้แต่กายอย่างเดียวรู้ก็รู้ไม่จริงด้วยนะรู้แบบรลองๆอรู้แบบต่างคนต่างคิดตั้งตือเป็นเจ้าของมันไม่รู้จริงคือรู้จริงก็หมายว่ามันไม่ได้รู้ทะลุปูกพงอย่างจริงจงเหมือนตัวเราที่อยู่ข้างในเราเคยดูไหมเราเคยพิจารณาไหมที่มันอยู่ข้างในจริงๆที่จะได้สวดกัน อาการสามจุดสองเราเคยพิจารณาแต่ละเรื่องแต่ละตัวแต่ละข้อไหมกายของเรานี้เลยร็จแล้วก็ไล่ไปเลือยตับไตเส้นพุงเราใส่น้อยใส้ใหญ่ของเน่าของ ห, อของหอูของเสียอุจจาระปัสสาวะไล่มาหมดอะแต่อคติจรงิงเราเราไม่รู้เลยไม่เคยเห็นไม่เคยพิจารณาเลยเพราะนั้นเราจึงไม่เห็นของไม่ดีในตัวเราคือของเน่าของเสีย ตัวของดีขางน่า ก, ก็แกไขปรปับปดุงกบันก็ไปมันมันสุกปเรกก็อาบนา้ำํำชาระทุกอย่างผมขนเล็บฟันหนังที่มีอยู่ในตัวเราเราก็ชําระคือทำความสะอาดผมก็สระทั้งามสะอาดผมขนเล็บในากาตัดฟันก็แปรงหนังก็ชำระผมก็เล็บฟัน อันนี้ทั้งหมดเนี่ยสมมติว่าเราปล่อยให้เป็นธรรมชาติจริงๆแล้วเราจะเห็นสภาวะที่มันเป็นจริงผมหลงในศสตรดูสักห้าวันอยู่ได้ไหมผมคนเล็บฟันกินแล้วร้องไม่แปลอสักห้าวันเจ็ดวันดูมันจะเป็นยังไงอันนั้นคือสักความจริงเรียกว่าสุภา ผิวหนังเราไม่ต้องอาบทํางานทั้งวันนอนเลยไม่ต้องอาบยู่ไม่ได้แต่เราก็ไม่เคยมองเป็นสาระจริงๆว่ามันไม่สะอาดเรากลับมองว่าสะอาดสะาสะอา ด, อาดจิตมันสั่งอยู่อย่างนี้แต่มันก็ต้องการแต่ขอสะอาดผู้ชายก็ต้องการผิวที่สะอาดผู้หญิงต้องการที่สะอาดก็คือสุภาษนั่นเองคือยังมองว่าสุภาษอยู่สุดท้ายจิตมันก็ยึดมันถือ มันเป็นที่มาอความรักให้พอใจยินดีซึ่งกันและกันแต่ถ้ามองถึงความเป็นจริงอย่างนี้วรานี่เป็นอสุภะจริงๆมองจากผิวหนังให้ทะลุเข้าไปข้างในถึงตับไตเส้พุงลำเส้นน้อยลำไส้ใหญ่อุจจาระปัสวะที่มีอยู่เห็นมแวกออกมาเพราะอย่างนี้เราจึงไม่เกิดปัญญาคือมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เรามองแล้วแทบถ้าพูนง่ายคือผิวเผน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 ว่ดาดีๆสุดาก็มันอยู่ตับไต้เส้นผมเสนสอยแล้วก็ขับออกมาออกมาอย่างนี้หมุนเพียงปิดไปในแต่ละวันอยู่อย่างนี้โดยไม่รู้จักเบื่อเราไม่เคยบ่นไม่เบื่อเลยเบื่อบอกโอ้ขี้เกียจกินข้าวอาไม่เคยเลยขี้เกียจกินน้ําไม่เคยบ่นแต่ถ้าอยากรู้จักทุกนี้คร่อาจารย์นีบอกว่าในช่วงเรื่องเวลาที่ปฏิบัติจริงๆ ก็ให้ดูเรียดทั้งสี่ให้มันเข้มข้นหน่อยแล้วก็ดูเรื่องการอยู่การกินการกอบการฉันพยายามไม่จะผ่อนผ่อนจากเยอะๆให้เป็นน้อยๆเช่นกินเยอะก็กินให้มันน้อยลงกับอาหารเหมือนกันน้าก็เหมือนกันจากฉันหลายมื้อเหลือสอมื้อเหลือมื้อหรือสองสามวันต่อมื้อเราจะเห็นทุกข์มากขึ้นชัดมากขึ้น ทุกนตัวนี้คือเวทนาซึ่งปกติแล้วมันไม่ปรากฏตัวพอปรากฏตัวปุ๊บเช่นหิวเนี่ยเอาารมาเติมใส่ละหิวน้ำอัน้ำเติมหิวข้าวข้าวเติมมันก็ทุกแรงดึมันจะหายไปแต่จริงมันก็ไม่ได้หายเพียงแต่แก้อาการเฉพาะไปวันๆเรียกวแก้ปัญหาในชีวิตอระจไปวันๆทั้งแต่เองแต่เราไม่ได้บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาเพราะเราทําเป็นประจํา จึงมองไม่เห็นถัาเมื่อมองไม่เห็นก็แปลว่ามันไม่เกิดปัญญาในสิ่งเหล่านี้เพราะกลายเป็นทำมันชีวิตประจำวันทั้งแต่ของพวกนี้จะอยู่บอกว่าเป็นเป็นภาระอันหนักที่ต้องดูแลทําอยู่นี้เป็นประจำแล้วจะต้องทำหมาอย่างกับพสิ่งเหล่านี้ปัจจัยที่ที่นาทั้งหมดก็เพื่อปัจจัยสี่จึงคือเราหามาทั้งหมดตลอดทั้งวันตลอดทั้งชีวิตก็เพื่อสิ่งเหล่านี้ แต่เราไม่รู้จะเบื่อขนาดไหนยพยายามที่จะแย่ง ห, า, หงาให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, มนไม่รู้มากเท่าไหร่ถึงจะพอคือมากเท่าไหร่มันก็ไม่พออย่างที่บอกว่าชีวิตไม่พอกับตัญหาคือความอยากพยายามเวลาไม่พ อ, อความต้องการมีเท่าไหร่ก็ไม่พอความต้องการของมนุษย์ความอยากอะไรเหมือนกันมันไม่เคยเต็ ม, น, มน้ำห้ยหน่อกองเบิงทะเลทำเหมือนยัง ม, มีเวลาเต็ม แต่ความอยากของมนุษย์ไม่เคยเต็มพร่องอยู่เสมอมันพร่องอยู่เสมอมันไม่เคยเต็มเลยมันเหมือนโอ่งเหมือนถังอื่นๆยังมีเวลาเต็มเราตักมันจะรู้จักพร a, ่องแต่นี้ไม่มีเลยไม่เคยเต็มเลยนี่คือตัณหาแล้วความตัณหาตัวนี้ ม, wanted, มันเป็นที่มาของความทะเยอเนี่ยปัญหาคือความอยากอยากได้อ ย, ไดอยากมีอยากเป็นแล้วก็ไม่อยากได้ไม่อยากมีอยากเป็น อยากได้ก็้ปที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยเป็นที่มายของว่าโลภะคือความโลภนั่นคืออยากได้คือเรียกวโลภะอโทสะเมื่อมันไม่พอใจอืได้ไม่ได้มันก็ไม่พอใจเกิโดโทสะขึ้นมาตัวสุดท้ายคือโมหะความหลงอันนี้หนักเลยมันเป็นนามธรรมาามองไม่เห็นโลภะพอแสดงออกได้โทสะพอเห็นตัวได้แต่โมหะมันมองไม่เห็นเลยนะ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 เหมือนกับเรากิน้าเราไปคิดเข้าไปก็มากันมันก็ดับไปในในในดับหนึ่งคือเวทนาเพราะเวทนาคือความอยู่ถือว่าเป็นเวทนาอย่างหนึ่งที่มันปรากฏเราเห็นเนี่ยกระดับกัไปซึ่งมีอยู่แล้วรูปเวทนาทัญญาสทั้งปันมิจฉาทั้งสี่ห้าตัวมันมีอยู่กับเราตอลอดเวลารูปเราเห็นชัดเจ น, นเดินไปเดินมาสวนไปสวนมาแต่ว่าสักไปไม่เห็นตอนนั้น คือเห็นได้ที่ี่ว่าสัญญ า, ารู้เป็นรูปรู้ว่าเป็นคนนั้นคนนี้รู้าอะไรชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อน้นรู้แต่รู้แล้วเกิดปัญญาเนี้ไม่เกิดก็เพราะอะไรแล้วมันเคยยกสิ่งนี้ขึ้นมาพิจารณาในวาเวลาปฏิบัติ จ, จริงๆเกิดยกขึ้นมาพิจารณาเพื่อให้มันเกิดปัญญากับสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยเลยก็ได้แต่สัญญาคือจำแต่ก็ยังดีปฏิ ว, วัติจำดีคือจำเรื่องที่ดี ตรงอาหารถ้าจําเรื่องที่ไม่ดีในลําบากสัญญาไม่ดีมันยาสัญญาไม่ดีก็บอกแล้วมันไม่ดีมันเน่ามันเสียมันลบมีเท่าไหร่เขบอกก็แล้วมันลบก็มันหายไม่หมดมันไม่ีเพิ่มมีแต่ลบคือลดลงลดลงลดลงสุดท้ายก็มองไม่เห็นความดีสิ่งนั้นเลยกันเพราะเรามองคนนี้อย่างเงี้ยลบเช่นเราไม่ชอบคนนี้ก็แปลว่าเรามองคนนี้อย่างเงีบคือไม่มีความดีในสายตาเราเลยมันลบไป คือลบออกลบออกลบ อ, อกอย่านทั้งทั้งนี้ความไม่ดีกับความดีมันก็อยู่ด้วยกันแไม่มีคนไหนที่มีความดีอย่างเดียวไม่มีมนุษย์คนไหนที่มีความไม่ดีอย่างเดียวในตัวคนคนเดียวกันไม่มีเลยแต่เอาควาจริงเรามองมองใดมองในความดีอย่างเดียวเวลาชอบกันกับมองแต่วามดีออืโอ้ยคนนี้มันดีอย่างนัน้นดีอย่างนี้ดีพลัล น, นาไปแต่พอเกิดไม่ชอบขี้นากันมานะโอ้ยมันแย่จริงๆเลนได้ไม เราก็จะพูดอย่างใดอย่างหนึง่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่งบอกเพราะจิตมันมเป็นกลางจิตนั้นเป็นกลางเงั้นการปฏิบัติของเรารต้องการเบื้องต้นจริงๆคือต้องการให้จิตเรานะวางอารมณ์ต้องสองอย่างคือความสุขความพอใจไม่พอใจแล้วนั่งอยู่ตรงกลางจริงๆนั่งทากลางโดยก็ต้องสนใจนั่นคืออุปเปคขารวมคือกวางอารามณ์นี้มันเฉยๆอยู่ตรงกลางเมื่อเราไปเข้าข้างกันนี้เราจะเข้าใจ ตัวตนแท้จริงของเรามากขึ้นเหนะมือนลูกเนี่ยเราไม่เอาใจลูกจนมากเกินไปเพื่อนฝูงก็เหมือนกันไม่ใช่พูดยังไงก็เชื่อหมดตามปัญญ์บอกไปัญญาก็ไปแล้วกันไม่เคยขัดใจเลยนะจิตของเราเนี่ก็เหมือนกันเราไมา่เคยขัดใจตัวเราเอางเลยอยากอะไอะไรอยากมีอะไรอยากเป็นอะไรพยายามที่จะทำ <c oughs> ที่จะไปสู่จุดนั้นให้ได้โดยที่ <c oughs> ไม่ได้เคยพิจารณาเลยขีงพระยิ้มละมันก็ตามมาเ เพรนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่อยู่ตัวเราอนะถือว่าเป็นธรรมะชั้นยอดเป็นธรรมะชั้นสูงทุกเรื่องที่มาติดอยู่เราเราเรื่องของผ้ายาวกระชับ เ, เสื้อผ้าอวบ อ, อื่นๆ น, นี่มันล้วนเป็นธรรมะทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นแค่ของปกปิดร่างกายไม่ให้มันอุดจาตอนั้นเองเพราะนั้นถ้าเราตั้งค่าไว้อย่างนี้เสื้อผ้าอวบ อ, อย่างนห้นก็ได้ขอให้มันสะดวกสบายสุภาพเรียบร้อยมันจะไม่ต้องแพง มันจะเป็นตา้งของมียี่ห้อจริงๆแล้วมันมียห่อทุกอย่างมียี่ห้อเท่านั้นแหละแต่พอเราคำว่ายี่ห้อคือยี่ห้อดัง้งภนเองถ้าเราตั้งตัวอย่างนี้ยมันก็จบเพราะฉะนถ้าเราถอดหมายคือว่าถอดออกอย่างนี้ออกแต่ละคนถอดออกหมดถอดเสื้อผ้าอภรรตรอดอกมันก็เหมือนกันหมดมันไม่มีอะไรต่างกันเลยมันไม่ใช่รูปร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเราปรีชาในี้มัน ในตามธรรมในทามพระธรบอกให้พิจารณาเรื่องอย่างนี้บ่อยๆโดยเพาะอย่างนี้คือถ้ามันเกิดเป็นนิมิตได้เป็นกันดีคือบางคนบอกว่านั่งภาวนาแล้วเห็นตัวเองไปนั่นคือความกลัวบางนเห็นแล้วก็บอกจิตจิตมาออกจากร่างนั่นน่าจะเป็นมันเรื่องของธรรมะเกิดขึ้นแต่เราไม่ไม่อาศัยสิ่งนั้นไม่มองเป็นธรรมะก็กลายเป็นความกลัว สุดท้ายสติวิปลาดคือเห็นสักการพิจิตประเป็นจริงเกิด ค, ความกลั ว, วกับตนอกมันก็นกลายเป็นสติวิปลาดแต่ถ้าเราใช้เป็นประโยชน์คือยกขึ้นมาพิจารณาอออันนี้วันหนึ่งครั้งหน้ามันก็จะร่มหายตายจากมันก็จะหมดไปยกขึ้นมาพิจารณามันเป็นแค่สัตว์เทนีเบตันเองมันก็เหมือนอความฝันที่เกิดขึ้นกับเรา <c oughs> ที่ไม่เกิดเป็นกับ นิเมสมันกิขึ้นก็เพาว่าจิตมันเป็นความสงบความฝันเกิดจากจิตที่มันหลับไม่สนิทชั่งตรงกันข้ามคนที่ฝันก็คือหลับไม่สนิทมันเป็นประวัจิตจิตมันยังรับรู้เต่ไม่สามารถ่ถ่ายทอดตั้งผู้ต่างตาอาจจะหมดได้ทั้งเอามาเป็นภาพข้างในเรียกว่ามโนภาพเรียกว่าภาพในใจเกิดจากใจเกิดจากอะไรเกิดจากสัญญา จังขานคือจักวิญญาณมันปรงมาแต่งต่ออันนี้เป็นเรื่องของมโนภาพเพราะฉะนั้นตัวที่จะไปข้างหน้าคือตัวนั้นเละเมื่อร่างกายเนี่ยแตกดับไปแล้วเมื่อต้นไม้นิ่มล้มไปแล้วนกก็ต้องออกไปผู้อยู่อาศัยในต้นไม้ต้องต้องออกไปมันไปไหนเแตเนี่ยเมื่อร่างกายแตกดับแล้วจิตมันไปไหนก็ อ, อยู่ที่ว่าจิตมันมีต้นทนมากน้อยแค่ไหน ประไกลแค่ไหนเพราะฉะนั้นต้อต้องมองใ จ, จใจใจเป็นเรื่องสำคัญที่สุดจะเป็นมุ่งไปวางในเรื่องทรรมาะกินจนมากเกินไปจ น, จนสุดท้ายเราก็ใช่มาได้อะไรเลยไม่ได้จะอะไรจากการเกิดการแก่การเจ็บ ก, ก, ก, ก, ก, ก, การตายพูดง่ายเกิดฟรีเจ็บฟรีตายฟรีไม่ได้อะไรเลยจริงเสียหามาทั้งหมดที่เราเข้าใจว่าเราได้แท้จริงมันไม่ได้อะไรเลย มีแต่เสียกับเสียเนี่ยในเบืิองทางโลกมันชี่ิอยู่ทางโลกนั้นมันไม่มีอะไรได้มีแต่เสียกับเสียส่วนทางธรรมนั้นถ้าทําแล้วมันได้อย่างเดียวไม่มีเสียถ้ามันเจริญแล้วมันมีเสื่อมมัเจริญไปข้างหน้าม่เจะได้กับได้นะเนี่ยความความสาคัญมันมาต่างกันอย่างนี้เคยเปรียบเสมัยว่าสติสตังมันต่างกันตรงนี้สตางมันหมดได้มันหายไปได้แต่สติท่านเกิดขึ้นในตัวแล้ว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 อันนี้คือปฏิปทาหรือแนวทางในการปฏิบัติที่พระเจ้าฝากเอาไวใ้ให้พวกเราถ้าพวกเราไม่ปฏิบัติตามพูดว่าให้คือไม่เดินตามแล้วเมื่ อ, อไหร่มันจะตึงไม่ขยับเลยอยู่ที่เดิ ม, มเดิ ม, มเดิมต้องเมื่อไหร่มันจะไปถึงเพราะนั้นให้เราดูไอ้บททั้งส <c oughs> ี่ของการปฏิบัติของเราคือไอ้บททั้งสจริงๆแล้วเว้นกันนอนกันหลือสามันเองคือยืนเดินนั่ง ทำยังไงก็ได้ให้อะไรวัตทั้งสานี้ประกอบไปด้วยสติคือมีสติกำกับให้มันมากที่สุดพอเยอะมากได้ถ้ามันเผลอเร่ก็ดึงเข้ามาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดึงเข้ามาเ้าเรียกคํำบริกรรมหรืออบาานนะุบะจันอะไรก็ได้มันดึงเข้ามาบุตรโตตโมสังโค อ, อะไรก็ได้ไม่สูตรเรามายจะเข้าลึกๆสติปกิจวัตรตัวละอัมนันจะตึงอยู่กับเนี่ยกับตัว เราแค่ได้มีสติบ้างเหมือนกับมีสตางอยู่กับตัวมันจะมีประโยชน์แต่สตางที่อยู่มีแต่มันหีบนโลกวันนี้อยู่กับคนอื่นมันไม่มีประโยชน์ต่อเราเราก็ใช้ไม่ได้สตินี่ยมเหมือนกันถ้ามันแนบอยู่กับตัวอยู่ใกล้ตัวเหมือนเงินอยู่ในกระเป๋าเราจะใช้มื่อไรใช้ยังไงก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีสติเลยก็เหมือนกับมันมีสตางอยู่ในกระเป๋าเราจะไปใช้อะไรสุดท้ายมันก็ตกเป็นธาตุความโลภะทุสรโมหะ ความโลกความกรธคามหลงควาครอบงำเพราะเราไม่มีสติบัญญาดูแลพิจารณาในสิ่งเหล่านี้ก็เราจึงตกกลายเป็นธาตุจริงเหล่านี้ซึ่งเราก็เป็นอย่างนี้มาตลอดมารู้ขพีพภูมิชาติมาแล้วแต่เราก็ไม่รู้จักเข็ดไม่รู้จักลาอยางปรารถนาที่อยากจะให้มีอยากให้เป็นอย่างนี้อีกไม่รู้จบรู้สิ่งเพราะนี่คืออวิชชา this is m o h a แท้จริง มันเป็นโมหะคือหลงเคยเปรียบเทียบไปฟังอยู่เสมอว่าขนาดนี้เราเป็นคนหลงทางคือหลงวัฏสงสารไม่ธรรมดานลยไม่ใช่ธรรมธรรดาไม่ใช่ทางสั้นๆแต่ระยะทางที่เราหลงมันยาวนานมามามากถ้าจำได้ในพรสกสองพักว่าปีมาแล้วเห็นไหมไม่ไปไหนมาไหนเวียน่ายตายเกิดขึ้นหลงกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ กลับมาที่เดิมนะครับไม่ไปไหนไปใครเลยใช่ไหมก็เพราะเราไม่มีเสบียงกันพอมันมีกําลังพอไม่มีสติปัญญาพอเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้ววันนี้ถือว่าโชคดีที่เราได้เจอพระพุทธศาสนาเจอครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีประจบหลานหลายองค์เราได้ยินใน้ฟังอย่างได้ทันแต่ก็จะประมาทแล้วครูบาอาจารย์ก็เริ่มไล่ล้อลดน้อยถอยลงไปอายุที่มีเยอะๆจัด เกสิปีแปดสิบปีเจ็ดสิบตอนนี้น้อยลงมาลงมาลงก็ถึงยุคผู้เดนะียวน้อยแทบนับองได้จะเป็นพอที่พึ่งทางใจของเราอย่างแท้ จ, จริงเป็นเย่งป็นอย่า ง, เ ป, างเป็นต้นแบบต้นฉบับ ย, ยิ่งน้อยลงนั้นถ้ามามวลแต่เวลาเมื่อไหรเมื่อนั้นเมืนน่อนี้ค่อยไปค่อยหาค่อยค่อยฟังมันไม่ได้นั่นคือความประมาทนั่นคือมาน ดนแจ้งเราไม่ให้ทำความดีกี่ที่ขั้นความดีอย่าไปเชื่อฟังมารความดีนึกเมื่อไหร่ทําเมื่อไหร่พวกนี้เป็นความดีทันทีต้องรีบพูดคิดทําทันทีต้องคัดค้าน ข, ข, ข, ขึ้นมาใจตัดสิว่าไม่ได้เมื่อไหร่ต้องรีบทําทันทีอย่าประมาทเพราะฉะนั้นการทําบุญนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เป็นเงินด้วทองเงินไม่เกี่ยว เ, ยเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆตัวนั่นเอง การทําบนที่เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ได้ลงทุนอะไรเลยคือใช้ของที่มีอยู่คือรูปร่างกายอันนี้เท่านั้นเองนี่คือประโยชน์สูงสุดส่วนเรื่อ ง, ง, งทานนะัน้นเป็นเรื่องการสงเคราะห์อนุเคราะห์ซึ่งการในกันในการเอื้อเฟื้อแสดงความน้ำใจแบบปันและที่สำคัญคือต้องการให้มนุษย์เรารู้จักการเสียสละเพราะงั้นนั่นไม่รู้จักต่เอาเอาเอาเอาเอย่างเดียวคือได้ได้อย่างเดียวจะไม่มีคําว่าเสียอยู่ในสมองจะไม่มีคําว่าเสียอยู่ในจิต คิดจะได้เราคิดก็คิดแต่จะได้เป็นการเอาเปลี่ยบเพื่อนมนุษย์เห็นไหมซึ่งเราก็เห็นกันอยู่ทีนี้การทานการให้การเสียสละก็มีอยู่เออเรารู้ว่ามันการเสียสละมนุษย์นั้นถ้ามีผู้ให้ก็ต้องมีผู้รับในขณะเดียกันมีผู้รับอย่างเดียวไม่มีผู้ให้มันก็ไม่สมประโยชนะน์ผลตอคบคบสองอย่างก็คือมีผู้ให้ก็มีผู้รับถ้าเราเป็นผู้ให้ก็คืว่าต้องอย่ฝ่ายหนึ่ง ซึ่งตัวข้าวาเป็นผู้รับนะผู้ใหยย้จะเป็นเจ้าของผู้รับแต่ว่าผู้รับนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นเจัาของผู้ให้หรือเปล่าอันนี้คือประเด็นไม่หลันสิ่งทัท้งหมดทั้งมวลนี้ถ้าเราทําเป็นนิสัยคือทําเป็นประจําทุกวันทุกวันมันก็สามารถที่จะขับเก่าจิตใจของเรานั้นต์ที่มันห่อหุอ้มด้วยกิเลสอาสะวะนาขึ้น แต่ที่เราเรียกกันติดปบบว่าปุถุชนคือมันจะหนาขึ้นหนาขึ้นความคิดคำพูดการกระทำอันนี้สะสมเยอะๆซะเยอะอมันก็จะหนาขึ้นหนาขึ้นมันไม่เห็นจิตใจแม้กระทั่งความดีในตัวเราก็มองมเห็นความดีคนอื่นก็มองไม่เห็นมันก็จะหนาขึ้นหนาขึ้นเนี่ยมันลําบากแต่ถ้าเราขัดใจขัดใจตัวเองบ่อยๆเหมือนกับขัดถูเช็ดทำความสะอาดมันก็ค่อยเจือจางเบาบางลงความเข้มข้นก็จะน้อยลง ความโกรธมีไปน้อยลงความรู้ม <todo> ja so so oh, so ีก็จะน้อยลงความลงมีก็จะน้อยลงอันนี้คือเป้าหมายในการปฏิบัติของพวกเราเพราะฉะนั้นอย่าไปท้อก็ขอให้เราได้โอ้ปฏิบัติกันมานานสิบปีที่ไม่เห็นได้เลยได้ทำไมจะไม่ได้เพรนั่นคือศีลสมาธิมันได้แน่นอนถึงแม้มันไม่เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามสภาพกับเจ็บก็ไม่เป็นไรขอให้เราอย่าท้ออย่าถอยปฏิบัติให้เชื่อฟังครูบาอาจารย์ว่าถ้าเราไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์แล้วไปเชื่อใคร เชอบไปเชื่อจําเลยคนที่อะไรก็ไม่รู้สินสักตัวก็ไม่มีชอบไปฟังคนนั้นพูดว่าคนนี้พูดว่าถามว่ามีสินสักตัวมีสินไหมด่ากันชอ่ชอๆๆแล้วก็ไปฟังก็ไปจํากันมาเนะี่ยแล้วมันดีไหมเป็นจำของไม่ดีมาแล้วมันก็บรร จ, จุของไม่ดีเอาไว้ในใจแล้วใครเกือดร้อนอเห็นไหมวันนี้เราคิดไม่เป็นอย่างนี้เราคิดมัเป็นคิดแล้ให้มันเดือดร้อนก็จะไปจํา ให้จำเป็นความที่ดีๆเพราะฉะนั้นถ้าจะดูถ้าจะจำก็จำบุคคลที่เป็นเยี่ยงเป็นอย่างอย่างพ่อมแม่ครอาจารย์ของเราไปดูไปกราบไปไหว้และจำปฏิปทาข้อวัดปฏิบัตินั้นเอามาประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเราเองเพื่อใเป็นเยี่ยงเป็นอย่างเป็นต้นฉบับเป็นแบบของพวกเราส่วนขอ้อดีๆไม่ต้องไปเรียนรู้ที่ไหนเลยไปที่ไหนก็เจอบทมิตรภาไกไลในตัวเราอะมีทุกอย่าง มันจะไปหาดูที่อื่นแต่สะเพรว่าเราไม่ดูมันเราก็เลยไม่เห็นมันเหมือนที่พูดกล่าวนําำลังต้นหนาตับไตเสพงุงอุจรพัสวัสดิที่ม่อยู่เราก็ไม่เคยเห็นว่าโอมันหนาลังเกลียดมันเหมนมันสกรปรกมันโสมงขนาดไหนอเราก็ไปโทษไปอุจรทีโอ้ปิดจมกูกปัสสวัสดีโอ้ปิดจ ม, มูกเห็นขยะทีก็เดินนี้เห็นไหมแต่ที่สะเอริโอปพระ่ โ, ค โ, ค โ, ค โ, คโกกน้องมาโอ้ ของทั้งหมดนี่มันก็ตัวเรามันก็ยิ่งเป็นหนักกว่านี้เองเราลองดูสิของที่มีอยู่ในตัวทั้งหมดออกมาจันลําไส้ไม่ต้องมากเท่าหัวไม่ขีดวงแตกเลยนะไม่ต้องมากเลยอุจจาระปัสสาวะออกมานิดเดียวอยู่ไม่ได้นไหมเดือดร้อนเนี่ยของเนอกของเสียเหมือนกันถ้าเรารู้ถ้าเราเห็นโอปาราฮิโกมองว่าจิตของเราเนะี่ย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 มันจะเห็นปุ๊บ ม, มันจะบอกโอ้ยมันแช่จังเลยทําไมเป็นอย่นี้เอามันจะออกโดยจุดมันพันเป็นนิสัยนิสัยเกิดจากอะไรเกิดจากคิดบ่อยๆพูดบ่อยๆทำบ่อยๆย้ำคิดย้ำคิดย้ำทําอยู่อย่างนั้นมันจุดชินจนติดเนะถ้าเราไม่ย้ำคิดไม่ย้ำพูดไม่ย้ำทํามันก็ไม่เป็นนิสัยคือจบแล้วจบเลย น, นักภาวนาต้องเป็นอย่างนัน้นควรเป็นอย่างนั้น แต่ถ้ า, ang, ายังใส่เดิมยังรับไม่ได้ปล่อย ไ, ไ, ไม่ได้วางไม่ได้โอยั้งไม่หาไกลนี่นบบโดยเฉพาะเรื่องคนอื่นไม่ใช่เรื่องของตัวเองเนี่ยก็อย่างมาทําให้มันหมู่คณะตัวเองเดือดร้อนเดือโอยยังจะห่างไกลการปฏิบัติธรรมก็ชื่วยผู้หา่าไกลจากพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อย่างนี้เราจะชื่อว่าอุบาสกอุบาสิกาได้อย่างไรเพราะว่า อ, อุบาสกอุบาสิกาแปลว่าผู้เข้าใกล้ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัเมื่อเราดังใกล้ต้องรับประโยชน์ต้องรู้ต้องเห็นพระพุทธเป็นยังไงพระธรรมนี้พระอริยสงฆ์เป็นยังไงแต่ถ้านั่งใกล้เฉยๆแ้วไม่ได้ประโยชน์เหมือนเรานั่งอยู่ตอนนี้นั่งแล้วไม่รู้จักกันเลยเดี๋ยวก็ยางได้กันไปก็ไม่ไประโยชน์อะไรเลยเพราะไม่รู้จักกันเลยไม่รู้จักคุณค่าอะไรกันเลยนั่นก็เราเข้าใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงค์แล้วก็อาจจกคุณค่าคือให้เอาพระพุทธพระธรรมประสงค์ คือพระอิยสงเป็นที่พึ่งด้านจิตใจอย่างแพ้จริงนอกจากนี้อย่างอื่นไม่มีเลยอย่าไปเอาเป็นสาระในชีวิตให้คิดอย่นี้มันก็จะจบลหละอย่าไปแคร์นั่นนี่นู่นซึ่งมันไม่ใช่พุท ธ, ธ ร, รสาสน์พระถ้าทำอย่างนั้นปุ๊บคุณณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกามันก็จะขาดทันทีคนไหนว่าเข้าใกล้พรพุทธเจ้าเขาใกล้ประธรรมเขาใกล้ประสง ค, ค์มันไม่ได้ใกล้เลย มันก็ยิ่งห่างไกลจากพระพุทธประธรรมแล้วก็อริยสงฆ์นะมันไม่ใช่อาวุโสประการนะเพราะฉะนั้นใครจะใช้การอวุโสประชาต้องอยู่ใกล้จริงๆแล้วก็าหาได้ประโยชน์จากการอยู่ใกล้แล้วขอใจเราก็าจะเย็นใจเราก็าจะสบายเหมือนที่ว่าอากาศอันนี้อันนี้นคือผลขอการปฏิบัติธรรมกรับเราก็ขอให้เราทั้งหลายเราอยู่ใกล้แล้วขอได้เย็นคือกายก็เย็น พาใจใจเจ็นใจก็เย็นนี่คือดับนะย็นนี่คือดับดับพระวคืออนิพานแต่มากดับน้อยดับไหนดับจนไม่เหลืออะไรเลยดับจนชินเราจะปฏิเสแล้วก็คือวัตถหมายในการปฏิบัติของเราคอยดับทุกวันอย่างน้อยก็ดับความคิดคำพูดการกระทำของเราดับไปได้กับเบรกหยุดไว้ในขณะในก็ยังดีดีกวปล่อยให้ไปตามสัญญาอารมณ์ที่เป็นอยู่มันก็จะย้อนมือนลูกศรเว้นข้าหาตัวเราเอง และที่ความร้อนคือตัวเราดังนั้นต้องระมัดระวังในเสิ่งเหล น, นี้ให้มากๆนั้นสารธรรมที่นํามาฝากพวกเราในวันนี้วันลอยกระทรงก็าสดุกสนานแต่เราไม่เป็นไรเราเอาธรรมะทำต้องเป็นใหญ่ไม่ใช่เอาโลกเป็นใหญ่ต้องทำต้องเป็นใหญ่ทำต้องอยู่เหนือโลกอย่าให้โลกอยู่เหนือธรรมในงั้นเดือดร้อนใครเดือดร้อนก็ตัวเราเนี่ยเดือดร้อนก็วันนี้ฝากธรรมะทั้งหมดต้องบูชาเพื่อ พวกเราทั้งหลายและเป็นโอปรายิโกน้อมกันมาแล้วเอาไปใช้ในชีวิตปจำันมันก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจยอย่างแท้จริงวาในภากไว้เพียงตัวนี้ก่อน